มาเล่าหนังสือสอนมันจะถูกต้องหรือขอฝากอาจารย์ใหญ่ไปด้วยเป็นข้อคิดไม่จะสอนง่ายนะสอนจริงธรรมถ้าสอนเด็กเล็กเนี่ยไม่จะสอนง่ายเนี่ยามาจับจุดวิชาครูได้มาอันหนึง่งเมื่อสมัยห้าสิบปีโน้ตครูใหญ่ที่มักจะสอนท่านท่านเตรียมท่านเด็กเล็กครูนุ่มๆไปสอนท่านปสิบอปอห้าตมาเป็นเด็กคิดว่าเอ๊ะครูใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีความรู้ สอนกอขอคอคอครูใหญ่นี่แก่แล้วไม่มีความรู้นี่เอาตมาไปเด็กฮะเข้าใจอย่างนั้นนะแล้วครูใหญ่ตายครูใหญ่อื่นมาย้ายมาอีกอนมากแล้วเนี่ยไม่มาเท่าไรและวห้าสิบเจ็ดได้พบ ก, ก็เขียนอสอนปหนึ่งสอนขั้นเตรียมขั้นมูลเอเรามานึกในใจแเราดูปสี่นี่แอ้พวกครูแก่แก่นี่ไม่มีความรู้ อึอกอัมาเป็นครูใหญ่สอนชั้นมูลทวนทอนสอนเตรียมแล้วมันนึก็ถามครูเยื่นคนหนึ่งครูครับครูใหญ่นี่สามคนเน่ยผมมาอยู่ในตายหมดสามคนเนี่ยผมมีบุญนะตั้งแต่เข้ามามาก่อนนี้ผมมัยังไม่เคยโรงเรียนครูใหญ่เขายูนยืนน่ะตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยตายหมดเลยเนี่ยสามคนผมมีบุญไหมสามครูครูก็บอกเธอถ้าจะมีบุญตั้งแต่เธอเข้ามาครูใหญ่ตายเรื่อยเลย เลยจะมาก็อขอลาออก้าขืาอนอยู่ต่อไปครูใหญ่เขาก็ต้องตายแต่ไม่ลาออกก็ตายลาออกไปก็ตายเดี๋ยวนี้ก็ตายหมดแล้วนี่ไม่เห็นอยู่เลยนะได้ความเลยได้ความได้ความมารู้ทีหลังอ๋อสอนเด็กเป็นี่สอน้นอนาต้องใช้ครูใหญ่ อารมณ์เย um ็นครูหนุ่มครูสาวอารมณ์แฉวอารมณ์แฉวไม่แฉวก็ต้องแฉวครูสาวแต่ไม่ใช่ที่นี่นะครูที่นอนอารมร้อนอารมณ์ร้อนสิ่งหรือไม่จริงเนี่ยไม่จริงไม่ร้อนแล้วจ้ะก็เหตุใดเข้ามานั่งกรรมฐานแล้วอารมณ์เย็นลงไปแล้วค่ะแล้วอะไรอะไรก็ดีขึ้นแล้วค่ะ ีิฉันเพิ่มเข้าใจวันนี้แล้วค่ะนี่พูดเอาเองตามเหตุผลเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะสอนเด็กไม่ใช่สอนงาเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังไม่รู้อะไรต้องใจเย็นผู้ก็เด็กเพราะๆต้องประโละเด็กด้วยครูหนุ่มครูสาวเขาจึงเอาไปฉันไปสอนชั้นสูงๆ่ะ เพราะว่าปกลียวกราบดีศรีเด็กเขาตายเรื่องจริงเอาต่มาดูครูใหญ่ๆเอแกดเอาลมดีคุยกับเด็กสนุกสนานนะครูนมวันนั้นครูใหญ่เขาป่วยไปห้าวันครูสาวคนหนึ่งไปสอนพ่อไปเอาการมายมมาต้นมยมพระตายเลยไปส่สะบัดเลยเอ อ, อย่างนี้เองนี่จับตำราได้เลยนี่เพราะอย่างนี้เนี่ยใจร้อนสอนเด็กไม่ได้ ถ้าจะสอนเด็กได้บอกไอ้นี่สอนเือะเกินนี่นะทอนอายุัะว่าเราเป็นเด็กเนี่ยสอนอย่างนี้ไหมถ้าเรารู้ว่า เ, าเป็นเด็กมีจิตวิทยาสอนอย่างนี้เราจะสอนเด็กได้ดีมากมีอันหนึ่งจะมาถึงว่าอ๋อนี่ผู้จ้าก็สอนมาเหมือนกันว่าเด็กเล็กนักเนี่ยเราต้องสอนด้วยแบบระบบตีโลกตีด้วยแบบยางคนแก่เนี่ยอายุมากเนี่ยเขามีลูกมีหลานเป็นครูใหญ่ เขาก็อารมณ์เย็นเขาก็รักลูกรักหลานจึงให้สอนชั้นนี้เป็นประการทั้งพันคงจะใัดเดี๋ยวนี้ครูใหญ่ไม่ต้องสอนใช่ไหมไม่ต้องสอนใช่ไหมพอ อ, อ ก, ก็ไม่ต้องสอนใช่ไหมก็ไปไปประชุมบ่อยใช่ไหมไประชุมงานมากทีแล้วก็มีประชุมกลุ่มกันมากเท่าที่ทราบมาเดี๋ยวกลุ่มนอนประชุมกลุม่มนี้ประชุมเดี๋ยวก็เลือกรหาหะพรกันแจ้ง แล้วก็เดี๋ยวไปหาเสียงว่าต้องทิ้งค่านสหกรณ์แล้วก็มีเงินเข้าสหกรณ์ปีละหมื่นของหมื่นเข้าว่ากันจริงไหมเได้ข่าวแต่ไม่ทราบเนะี่ยอาตมาไม่ได้ไปคลุกคลีนะคะแต่คลุกคลีทราบข่าวอยู่อยู่อันเดียวครูเข้ามานั่งคุยกันที่หน้ากุตินี่เธอเป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงสองแขนเนี่ยเป็นหนี้สหกรณ์ไม่รู้จะหาช่ที่ไหน อันนี้ได้ยินมานะได้ยินมาเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเธอล่ะฉันก็เหมือนการส่งยังไม่หมดเลยแต่ละอาตมาก็ไม่รู้วาทาก้อมันอยู่ที่ไหนเพราะอ่ะอนเฉียมทาก้อนอยู่ที่ไหนท า, หากอ้อครูมีไหมที่แพร่ ม, มีกี่ร้อยล้านจังหวัดสิงมีร้อยกี่ล้านทําไมรู้ครูเขาบอก เอา้าต้องย้ายไปอยู่จังหวัดแพร่สามร้อยล้านเ่อะเหรียเออขยิมสักปีใช่ไหมขยิมมาสักปีบอกครูหน่อยขอดอกมาไว้ให้พวกเราได้ไหมเอาละตอบเองเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรจะไปดอกเลี้ยงเขายัางไงแค่ตตนเขายังไม่มีจะชัยเลยนี่พูดเลยแล้วจริงก็ด้วยสิ ออันนี้ก็พูดเล่นกันสนุกสนุกบ้าง <c oughs> ก็ให้แนวคิดนะนี่ก็ได้ความว่าให้แนวไปทุกอย่างแต่นี้จะมาพูดถึงกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานนี่มีสองประกาศกรรมฐานเนี่ยเป็นหลักกลางสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแต่ท่านคณาจารย์อย่าเข้าใจผิดคิดว่า เอาครู อ, อาจารย์มานั่งกรรมาฐานไปสวรรคนิพพานเพื่อหมดกิเลสแล้วตัดกิเลสออกไปไม่ใช่เป็นเะนั้นเลยเรามาศึกษาเข้าวัดมาต้องมาศึกษาหาความรู้ให้แก่ตนประการที่สองหาผลงานให้แก่ชีวิตให้แก่ชีวิตของเราและก็สร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตนเองที่มาครั้งนี้นั้นไม่ใช่มาอบรมหรือมาบ่มนิสัยเท่านั้น แต่ท่านทั้งหลายคณะาจารย์โปรดคิดในชีวิตของครอบครัวว่าเรามาสร้างบุญกันนะสร้างระลึกความดีและสร้างกุศลตั้งใจให้ดีไว้ท่านจะได้บุญกลับบ้านเหมือนมาบพเพศินเจริญกิจภาวนานี้ท่านจะได้บุญมหาศาลถ้าท่านคิดถูกต้องไม่ใช่คิดว่าพอ อ, อนิรันดรขออจงเยี่ยมที่มาเจ้าเป็นเจ้าพิกเจ้าการหรือประพัดแสงดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย เขาก็เหนื่อยยากหลือเกินตามาเห็นล้วท่านวิทยากรเนี่ยแม่สลีด็อกเตอร์ท่านก็ไม่มาคุณแม่วันนี้มาแทนพร้อมเด็กคณะเดิมโดมิเชียนด้วยก็ อ, อุตส่าห์เสียสละเวลามีข้ามาเช่นนี้และเราจะไม่เสียสละบ้างหรือท่านจะคิดประการใดผู้ที่สอนก็เต็มใจให้ทุกประการด้วยศรัทธาผู้จัดระบบงานนี้คือระบบพัฒนาบุคคล ต้องการให้พี่น้องทุกคนได้บุญได้กูฏถกพัฒนาให้ท่านไปสวรรค์นิพพานหรือพัฒนาท่านให้ดีเท่านั้นต้องการให้ท่านทั้งหลายนั่นน่ะอยู่เย็นเป็นสุขราจากทุกแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขโดยทั่วนากันเท่านั้นนี่เหตุผลไม่ใช่อื่นใดแต่เพการใดแต่ท่านทั้งหลายบางกลุ่มอาจจะเข้าใจว่ามาทําไมการไกลแสนจะไกล มาทำอะไรการก็อาจจะมีความคิดเห็นอย่างนั้นบ้างแต่โปรดพิจารณาเสียให ม, ม่ว่ามาขอให้ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลถึงหากว่ามันไม่ได้อะไรท่านก็ต้องได้บุญถ้าสร้างบุญสร้างกุศลถ้าต้องได้ไปอย่างแน่นอนไม่มากก็ น, น้อยนี่อย่างหนึง่งขอให้ทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความจริงจังและทําด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงขั้งตอนนี้ ไม่ใช่หมายความว่าท่านผ อ, อ, อบังคับหรือเลขาธิการสปชให้มาอบรมเห็นเราเป็นคนไม่ดีหรืออย่างไรจึงบังคับเรามาไม่ใช่บังคับเลยเชิญชวนให้ท่านมาสร้างความสุขให้ลูกครอบครัวท่านมีความเจริญแล้วปฏิบัติกรรมฐานได้เป็นการสร้างบุญให้ท่านเกิดความสุขหนึ่งท่านจะร่ํารวยท่านจะสวย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 ทหารก็เหมือนการที่มาที่นี่ระดับร้อยเอกนะนี่จะเล่าประวัติเท่าความหลังให้ฉันฟังสักเรื่องหนึ่งง่า ย, ายร้อยเอกเมาเนี่ถือแป้มาเลยแผกที่อากุตตมาก็ระดับอธิบดีก็มีก็มานั่งคุยเขายังไม่รู้เขาเมามาก็อย่าถือกันเมาเข้ามาเลยเจรเร้อยเอกนะทหารโนดปลานหนดปลานต้องประจวบทีขันปลานถือแป้มา อ, อ๋อ ไอ์อนุศาสนาอาจารย์โอทอคุมมามอยู่ที่ไหนไอหาทหารมีหรือเอาทหารเข้าวัดวะมีทหารเอาไปลบทหารถือเปิดมีทหารจะมานั่งในวัดจะไปสวรรค์ผานบ่าบอคอแตกไอ้อนุศาาจารย์รรรไปไหนวะห้กูติกคุกดีกว่าติกคุกก็ดีกว่ามาวัดนี่พูดอย่างนี้จริงๆนี่ร้อยเอ็ดนะต่อาตามาก็บอกอนุตานเฉยๆไว้เฉยๆไ ว, ว, ยย ว, วย้ยิ้มไว้อย่างเดียวให้มันด่าให้โขก ดาโชคหาดาโชคให้ดาให้หมดพุงเดินไปครัวอยู่ที่ไหนวะแม่ครัวหิวแล้วว้เียวแล้ววยบ้านหนูจะเฉยพยิบตาลุงอยู่ตรงนี้เออมานี่เธอเรียกลุงเลยเ อ, อลุงนี่ยังไม่แก่นะหนูก็แค่สี่ดยังไม่แก่ควรจะเรียกลุงนะอายุเจิปสสิบเด็กมันก็ทเลาะไม่หว เดี๋ยวไปเลยไอผูกกององพันไหให้โกติกคกได้ไหมเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาจะไล่ออกเลยเขาจะไล่ออกแล้วเออวนะี่ยเพราะว่าละทิ้งเนีที่ราชการของเขาหายอยู่อตาตมาอุสาขอร้องไว้บอกมาปฏิบัติธรรมเผื่อเขาจะดีขึ้นมาลูกเขาไร้ขดลูกไร้ขด น, นี่เรื่องจริงที่วันนี้บาปราจารล้านหมดเอา้าไม่ว่ากันต่อไปรับข่าวเสร็จเรียบร้อยไปเข้าที่เสือทาง ก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละแบบเดียวนะสติปัฏฐานสีปัดไปปฏิบัติไปเงียบไปคนนั้นหายไปเลยวันที่สี่สี่หาเด็กมันก็รออุ้งคนวันนั้นไปไหนละมันไปบ้านแล้วมันกลับบ้านมาแล้วเอีคนวันนั้นหนีไปซะแล้วหนีไปแล้วหนีไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นพันเอแล้วนะเป็นพันเอกนสรุปให้สั้น์มาใหม่ๆก็อย่างเงี้ยด่าดโคตรทอคนแม่เปิ่งวะแล้วก็จะมาบอกนี่ ภูเขากรองเนี่ยสมาธิเจ้าว่าเออให้หวาดถึงไม่หวากระชังแม่มั น, ปนไปลว่างนนี้เลยเจ้าแม่เลยเราก็ตํางนิงเถเขาแรงมาก็ต้องนิ่งทีนะลมมันแรงเราก็ต้องเป็นต้นแขนต้นโพงต้องอ่อนลงไปอ่อนลงไปพอด่ายังไงแล้วก็นอนซะให้ลมมันพัดไปเนาะพอมันไปแล้วเราก็ตั้งตัวใหม่เฮ้มันตั้งขึ้นมาได้มันกีนต้นแขนต้นพงเนาะ ข้าต้นไม่ไปดูหักเลยนะอามาด่าจะเอาวาดกันนะเนี่ยทำลงไปไหนจับมันมาเรื่องแล้วเรื่องแล้วเห็นไหมเดี๋ยวหนาเข้ามีเรื่องการใครเสียเราเสียเขาไม่เสียหรอกเป็นพลานี้ผ่าเถือนไปด่าเขาแล้วนะขอฝากคณาจารย์ไว้เถื่อนไปเป็นผู้ปรกษาสาปผัวเมียทะเลาะกันนะผิดทั้งคู่สาขายไปสอบสวนคนนั้นโง่ ให้สอบสวนเสียกระดาษโง่พระคละการจ้าคณะอำเภอง้อเจ้าคณะตำบลง่อพยาณม า, าเอานี่ไม้เตกครับอาสมมติไม้ดาา่าครับไปสอบสวนทําไมลองตาทําไมเจครับ ก, ก็ไอ้นั่นมันมันด่าผมแล้วตอบดูว่าผิดทั้งคู่ไหมก็ไปสอบสวนเสียกระดาษทําไมวิธีการก็ให้ดีกันซะแสะดงอบัตแล้กายะกรรมังมโนกรรมมังว่าไป โยโทโซอวตารโถดอะไดความผิดใดโอโหสิกรรมกันแล้วเลิกกันไปเท่านี้ไม่ง่ายเต่าน้าเพิงงงก็พยายามมีไหมแตะเล้วองนั่นด่าเขาพยายามมีไหมก็ไอ้ด่าก็ไอ้แต่นี่พระด่าได้เลยพราด่าได้ไม่โยผู้หญิงฮะไม่ได้เลยก็มาสองวันนี้ด่าได้ล่ะถ้ามีปากนะแล้วอง์นั้นไม่เตะเขาล่ะก็อะไรฮน ตอบไม่ใช่ตอบไม่เข้าสเปคพ้าท่านมีเทา้าตอบอย่างเงี้ยใช่ทำไมพ้าถึงไปเตะเท้าพระท่านมีเท้านี่มันก็เตะได้ใช่ไนะ่ ย, ย, ยทำมาอะไรทําเหมือนพระพุทธเนะ่ยมพมผ้าไว้เหมือนพระพุทธเนี่ยตมาไม่เคยผ้าออกนะจะบอกไงยอะตมาดูตัวอย่างมานานแล้วไม่เคยผ้าออกเหมือนพุงทุยชะเดือบ๊โบ๊ลหรอก ว่างนี่เดี๋ยววันนี้จะเลิกกันต่อเมื่อพระพุทธหายใจนะให้ท่านไดอีกใ จ, ใจล เ, เล้วก็เลิกวันนี้นะไมาอิจใจอย่าเลิกไว้ได้ลนะว่งนี่สิพระดีเนี่ยปะป็นประธานเนี่ยจิตเป็นประธานกรรมฐานเป็นพระดีอยู่ในโบสถ์พระไม่โกรธอยู่ในสระนี่กรรมฐานพระตากระอยู่บนกุฏิ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 กะเพาตากะกราอยู่ที่ไหนเอาตามาด้วยแต่วันนี้ตกะกราไม่มาสองช้อนอันนี้เรื่องจริงพูดกันให้มันเห็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่เห็นไม่เป็นไรถ้านางจเจริญกรรมปรานแล้วเป็นประธานได้จะไม่มีที่สีท่ที่หนึ่งไม่ขี้เกียจไม่เรียงงานสองไม่ขี้กอง สามไม่ขี้อิจฉาสี่ไม่ขี้ฤิษยาออกมาในรูปแบบนี้แนะี่ยทําไมออกในรูปแบบนี้ผิดสเปส็คผิดช่องทีวีเลยเข้าช่องพิคนี่นี่เหตุผลเนี่ยถ้าขายอยากเป็นเศรษฐีไม่รวยก็กันใช้สามขี้เป็นเศรษฐีได้แต่ไม่รวยแต่มีสามขี้อะไรเอ่ยเดี๋ยไปสอนเด็กสอบสัมภาษณ์มา ไม่รวยแต่เป็นเศรษฐีได้ไม่รวยแต่เป็นเศรษฐีได้ต้องมีสามขี้อะไรเอ่ยเอาละไม่ต้องตอบเพราะว่ากำลังสมรวมอารมณ์กรรมฐานเป็นเศรษฐีน่นแน่หนึ่งขี้งกสองขี้ตือ้อสี่ขี้ขอเอามาเจ็บ งกทางานใครจะว่าขยันก็ช่างไไดงกเอตอตอปอนี่ยนี่ลานงกจัง๋ยวไปฟังอยฟังเพรามีสามารถก็ต้องงกหน่อยสิงกโน่นนี่ขยานี่พูดเล่นนะเผื่อจะจริงบ้างก็ไม่ว่ากันต้องงกเขยานนี่เขาเรียกว่างกขเตือต้ อ, อต้อเตื้อเข้าไปเตื้อเข้าไปไม่เป็นไรหน่ะไม่เป็นไรหน่อยไม่เป็นไรหน่อเสียเาบอกเขาเตือขอขอวันนี้ไม่ไหายพรุ่งนี้ขออีก พวกนี้ขอไม่ย้ามาลื้ขออีกยกตัวอย่างให้เห็นในอำเภอปลมบุรีมาขอเข้าทาถนนต้องบอกนายอำเภอเอาสามขี้ไปถ้าจะไปโอ้ยมโนนาหรือกันถวาที่ดินเดินเถอะนะไม่ได้พนไม่ได้พนคุณป้าครับคุณลุงครับผมไปนายอำเภอปลมบุรีครับขอถนนรักหวานนะครับขอรั่วไปถนนนะครับไม่ได้พนต้องข ต, ต้องใช้สามขี้นี้ ถึงจะทําแสมัยงกเข้าไปไปทุกวันเลยข้าวเข้าไปเย็นไปไปทุกวันอไปทุกวันเตือนเข้าไปเตือเข้าไปขอมันทุกวันดูสิไม่ให้ให้โลไปใชได้เลยเนี่ยได้เลยได้ยังไงเตือนเข้าไปเตือเข้าไปไอ้ไอ้ัวเขาก็นั่นเขาบอกขอต้นเงาในเพอะขอต้นเงาสองต้นว่าเดียวลุงว่าเดียวผมก็ไม่ได้เดินแล้ว ไม่เดีนเดิเราเดี๋ยวผมก็ย้ายไป่ะวัยแไวไ ว, ไวลุงเดินเอ๊ะเดี๋ยวเพอหาอะไรขอแมอ่เมื่อยเลยขอเข้าไปข อ, ป อ, เ, อเข้าไปยูทิชจะให้ไหมเตื้อเข้าไปเตื้อเข้าไปงกเข้าไว้ป่าจะเมืดเลยเขายังไม่ได้แท้งกินข้าวเลยไปเถอะแล้วหมาก็ดุซะด้วยสิหมาก็ดูลงครับลงครับผมมาครับเฮ้ยไอ้หานี่หมาต้องสเสียหาเที่ยวรู้ว้อ่าไม่เด็ตกลง ก็มาคุยทีนีเย็นไปใหม่เย็นไปใหม่อารมณ์ดีเข้าไงลุงครับลุงครับไอหาไม่อีกแล้วเฮ้ยแม่มึงไปเลยให้แม่มันเลยให้แม่มันเลยได้เลยได้เลยไปหมาหายเกลียวหมาจะไงหานี้หมาต้องร่าเกลีื่อจริงเลยไอแม่มเล้ยไอแม่เลยบอกให้เงียบไปให้เลยบอกเอาเลื่องแม่เจ้ากี่ว่าก็เอาเข้าไปนี่เรื่องจริงเลยเนี่ยอยเพ้อพร้มนี่เอง พิ่มพร้อมได้ไหมอ่ะได้นี่ต้องใช้แบบนี้ต้อใช่อีกทางเมตานางเมตตาคุณนางก็ให้เกาให้ที่ไม่ใดญ่ผลหรอกถ้าใช้คนอย่างนี้ต้องสามขี้นี่นะมันกลศรบายขอฝากไว้ต้องใช้อย่างนี้ต้องใช้บิณาบาทแบบพระอย่างนี้อหละบิดาบาทในสุดในเพลชลาดฉลาดมากในเพลฉลาดที่สุดเพราะเอาตําราของเราไปใช้เลาดางไง เอาให้แล้วไปสำนักนาหรือเราก็าไปทํานาโดยสิจกรรมโดยที่แกไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แน่นอนที่สุดถ้าทําตามที่ครูสอนทุกประการแล้วเห็นก็กําหนดเสียงก็กําหนดปริงก็กําหนดสิทธิ์นี่มันพัฒนาที่สติสัมปชัญญะไปผนวกบวกที่จิตที่มันเกิดขึ้นทางอานิชชาอินทรีย์ดังกล่าวเรีนีนาา่ทุกประการนี่บอกเหตุผลแล้วก็กําหนดเท้า เราจะรู้นายเลยหนึ่งกรรมฐานลึลึกชาดละลำเลึกถึงตัวเองได้ทามรวมข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วสติสัมปชัญญะมันจะบอกว่านี่ล้ำลึกถึงตัวเองได้จะสงสารตัวเองขึ้นไม่น่าจะไปเดิมสุราไม่ไม่น่าจะไปเล่นตามพนันอบอายมุกหาความสนุกในสังคมมันจะบอกตัวเองมิใช่คนอื่นมาบอกเราถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจทําด้วยเหตุผลนะและตั้งใจอยู่ศัทธาจริงๆนะ ตัวท่านจะบอกตัวท่านเองม่ใช่คนอื่นบอกแล้วมันผุดขึ้นมาคือภาวนาภาวนาเพือให้มันใสสะอาดผุดขึ้นมาในดวงใจของท่านเองเป็นปัจจิตังเวทิตาโพวิญญูติรู้ได้จากพอตัวของท่านเองคนอื่นหาได้รู้ไหมเท่านั้นเองนะพอรู้เองเนี่ยท่านจะเข้าใจเองละมึกชาติได้อย่างนี้อีกประการที่สองละมึกถึงบุปกาลีได้จะไม่ลืมพ่อลืมแม่ลืมผู้ย่าตายายจะไม่ลืมคุณครบูบาอาจารย์ที่สอนวิชาการให้ จะไม่ลืมพระคุณของผู้ให้ความดีมีปัญญาจะไม่ลืมผู้มาถามบำรุงดีเหตุผลที่กล่าวมาทุกประการนอกเหนือจากนั้นจะรู้กฎเหตุกรรมของตัวเองได้ว่าตัวเองสร้างกรรมอะไรไว้มันจะบอกออกมาได้ว่ากรรมนี้เป็นประการใดประการที่สมปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าท่านจะแก้ได้ทุกประการไม่จําเป็นไปแก้วันพรุ่งนี้มาลืนนี้แล้วไม่ต้องจําเป็นต้องปรึกษาหาหรือใครท่านเอาหลวงพ่อสติธรรมชัญญามาวันนี้ใจเชื่ จะปรึกษาสติคือวิเพโหราอยู่ในสุ้มวในในสภ า, าได้อยู่ตรงนี้ประการหนึ่งท่านจะได้กําหนดคิดหนอตีลิ้นเปรู่หนอเป็นตน้นเสียใจหนอกําหนดให้หายถ้าไม่หายจะฝากความเสียใจค้างไว้ฉันจะเสียใจในโอกาสหน้าต่อไปอีกเสียใจเรื่อยๆไม่รู้จักจะหายจะหยุดหย่อนกันสักทีกําหนดได้มาได้ความเสียใจหาเหตุผลได้ก็กําหนดเสียใจหนอนี่เป็นสมถะ กำหนดไยเสียใจหนอเสียใจหน อ, ห น, อนี่ยึดความเสียใจหาเหตุซืออาญยศัรีทุกสมุทัยนี้รถมาม่ต่ออธิบายทั้นเข้าใจแล้วคือทุกหาเหตุที่มาของทุกต่อหาได้มาแล้วสมุทยัยก็แจ้งชัดในโลดก็แจ้งชัดเจ็ใจปัญญาก็าเกิดมาแก้ปัญหาวอทุกอย่างนี้ต้องแก้อย่างนั้นทุกอย่างนั้นต้องแก้อย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นมันจะออกมาในล็อกนี้ทันทีนี่หลอรีแจกประกันได้นี่เหตุผล มันจะออกมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เราทําไมจะลูกกฎแห่งกรรมได้ก็ขอเสนอเนี่ยเราจะเดินพรต่อไปว่าเรารวมสติไว้ระลึกไว้เสมอ ค, อคือความดีที่กล่าวไว้ข้างตน้นระลึกแต่ความดีและความทั่วมันมีอยู่คือกรรมมันจะแจ้งชัดออกมาเลยมันจะขับตามออกไปแล้วก็รู้ว่าเราทํากรรมอะไรไว่ายกตัวอย่างตอตมาเป็นต้นว่าอีกวันที่คือ4ตุลาที่ยัง4้าคเไม่เบียดรถจะชนขอหกักซางใครเป็นคนบอก หมอดูหรือไม่ใช่สติที่สะสมไว้มันจะถึงเวงกรรมที่เราจะต้องตายในวันที่สิบี่ตุลาเที่ยงสี่ห้าหมดอายุแล้วตายโดยวิธีใดสัมชัญญาปัปพระมันจะออกคอมพิวเตอร์เตียงมาว่ารถทนท่านพอหักตายตายแน่แน่ไม่มีวันกลับมาอันนี้จะมาประจดไว้แล้วก็บอกลาเขาเรียบร้อยแล้วเป็นความจริงที่ผ่านแล้วทุกประการเอาอะไรมาเป็นคำนวณก็สติที่จะกําหนดสะสมไว้ แต่ท่านก็ไม่สามารถจะทราบว่าสติธรรมจัญญาที่มากําหนด น, อ น, น, อน้องๆแนแหนนี้มันมีปัญญาแหละไม่ใช่อย่างนั้นสะสมว่าในข้อมูลท่านเวลามีทุกข์มาใดจําเป็นขึ้นมามันจะออกมาแก้เองคือปัญญารอบรู้ในกองการสังขารเอาซะช่างคือมาดูตะชูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดแล้วเพราะถวัตวัตนี้ตรงนี้เป็นจุดสําคัญท่านจะรู้เองต่อไปหลังไม่ใช่คนอื่นมาบอกเล่าท่านจเจ้าพระยาเทพสักร้อยการท่านก็ไม่รู้แนี่ย ถ้าท่านรู้เองนะีขอจเจริญพรท่านจะแก้ปัญหาของดัชนี เ, เองเราเป็นคนสร้างกรรมมาจะให้คนอื่นแก้ปัญหาให้ใช่ก็ไหลอยู่ขอประทานโทษมีคนไปเจ๊ท่านไปเค้กวัวท่านแล้วไปตอบท่านแล้วไปเทียบท่านเช่นนี้อับปีจังไรแย่แล้วไปวานอาธิบดีหรือไปวานท่านเลขาธิการมาขอโทษหรือวานรัฐมนตรีมาขอโทษท่านจะให้ไหม พนจากไอ้คนทําเราเจ็บชําน้ําใจมาขอโทษขอประทานโทษโส่วภัยแล้วก็มาขอโหติกรรมกับเรานั่นแหละอาจจะเป็นได้เรียกว่าโหิกรรมนี่เห็นชัดนี่เป็นกฎแห่งกรรมแล้วจะรู้น่าจากการกรรมฐานตมาประสบมาหกลายในตัวเองเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมตมะมาไม่เชื่อพระก็มาเป็นพระถ้าสัตตัดชีวิตมากมายหลายประการตั้งมาเป็นพระเกลียดท่าที่สดุด ยายเอาข้าหนมก็บข้าวแกงไปถวายพระอตาตมา น, นี่เองดูชั้นมาเตรียมสามเที่ยวไปแล้วเจอเพื่อนเจอก็เอาไปกินกันซนะต้องเรื่องอะไรไปให้พระมันเด็กหาธรรมกันนี่พูดอย่างนั้นจริงๆพูดออกไปเป็นเด็กเพราะเราไม่รู้ยังไม่เข้าใจแต่ประการใดนี่เหตุผลแล้วยายจับได้ก็ว่าเป็นเปรตาเทาลุเข็มก็ไม่เชื่อยดต่อไปรับจ้างตม้มตาวนแกเขาจะจกินเล่ากัน ตอมเตาแล้วก็มอ ก, ก็มันแต่ไปดูสิเวงตามตามสนองเราหรือไม่ประการใดเพราะเราไม่เชื่ออยู่แล้วขาดสารชีวิตขาไป็ฆ่าตายสูตจริงทีก็ต้องไปเชื่อให้อะแปะเขาเขาจะกลุรจริงการไปต้อนไปเชื่อตายจงเมียแล้วก็หลวกน้าร้อนแล้วมันยังเสือกบินขึ้นมาขันขานี่เอกเพราะขันเสร็จแล้วเอาแปะ ต, ตายเลยเลือดสละออกมาทางปากทางทางหูเส้นประสาทแตดตายมียอ่แปะ ลุงของอาตมาเข้ามาได้เขาเป็นสามีของป้านี่เหตุผลอย่างกล่าวมาและยังอยู่ตัวเราท่านั้นอยากขอฝากไว้ขอฝากไว้ว่าอย่าไปคิดว่าจำไม่มีเลยกรรมฐานนี่เป็นบทประเมินผลชีวิตของต่าดีที่สุดถ้าท่านเจริญกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะได้สะสมข้อมูลมันจะตีออกมาว่าท่านจะต้องตายท่านจะต้องเป็นอย่างนั้นรถจะชนบ้าง และจะเป็นอย่งงางนั้นท่านจะได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาชีพเก่าวก็มาใช้นี่จะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหามันจะได้เบาลงไปแต่เราทราบความแล้วให้อภัยกันได้หรือรับสารภาพด้วยคิดด้วยเราความผิดที่เรามีอยู่ในใจจะไม่โกงตัวเองจะไม่หลงตัวเองและเราจะต้องรับตัวเองว่าเราผิดแล้วแล้วเราจะไม่ทําต่อไปแล้วนะบัด น, นี้เนี่ยรับรองกรรมใหม่ฉันจะไม่มีเลยนะเหมือนเราขยิมเงินเข้ามาลอยบาท เอาไปใช้เขาหมดแล้วเราจะไม่ค่อยยืมใครอยีกแล้วถ้ า, าว่าเราเค ย, ยิ้มเข้ามาลอยบาตรออมาสร้างความดีให้เขาแผ่เมตตาเขาเขาอาจจะลดสักส่วนให้เราโดยไม่ต้องเสียดอกนะเท่าเราจะไม่ อ, ออกไม่ต้องรับทุนคือไม่ต้องใช้ทุนเขาก็ได้เราะโหติกรรมกันได้โดยวิธีบุญแต่บางคนไม่สืออบเสาะต่อให้ลึกก็จะไม่ทราบความนี้แย่ประการใดขอท่านอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเลยอาตอมาเนี่ยประสบมากรรมฐานนี่แกกรําได้ แกกรรมได้อย่างแน่นอนแก้ยังไงขอท่านฟังต่อไปครับเล็กน้อยถึงจะดึกหน่อยก็ไม่พปานไรจมาเนี่ยก็สว่างมาทุกคืนแล้วสว่างมาทุกคืนไม่เป็นไรวันนี้ก็สันข้าวมาสองคาไม่มากมายลูกข้า ว, วันนี้ดีใจเห็นยมซื้อสวยเย็นนี้เลยไม่สันข้าวเลยยิ้มไอเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยบอกกันไม่ได้ ของใครของมันจะรู้เองที่ว่าโหติกรรมนั้นปิติมาพูดไตรเซิไว้สวดมนต์เป็นนิสธิฐานจิตเป็นประจำโหติกรรมก่อนแล้ว่อยแผ่เมตตาได้ผลถ้าเราโหติกรรมใครไม่ได้ยังผูกความโกรธอยู่แผ่เมตตาไม่ออกนะจิตมันหดรับรองไม่ได้ผลอย่าไปแผ่เลยออกไม่ไม่ออกจิตมันหดหมดเลยจะหยากเลยจะแผ่เลยทายาตต้องจิตค่อมชืดเบิกบานเป็นตน้นโหดิกรรมก่อนอจะโกรธกันนะ อย่าผูกใจเจ็บใครเลยให้อภัยยะโทษกันแล้วแผ่เมตตาได้ผลต่อเป็นหนังสือได้ตอเป็นหนังสือได้ด้วยแต่การแผ่เมตตานี้นะี่มีหลักฐานอพอเจริญพรอย่างนั้นการนั่งจเจริญกรรมาฐานสะสมหน่วยกิจไมมท่านจะรู้เองกิตท่านก็เย็นลงไปสบายสงบแต่จะมึกชาก ด, ด่ะถ้าคลนใจร้อนใจร้อ น, น, นขุนเขียวขุนผันตอนน้ จะคิดไม่ออกนะจะไม่มีสติคิดเลยเช่นลูกหรือแกหายท่านจะดาลูกดามเมียด่าผัวอะไรก็ตามถ้าจะหาไม่พบถ้าท่านไปนั่งเฉยๆอารมณ์เย็นๆลมพัดชายขาวและทําใจสบายท่านจะเนื้อตูดแกได้อยู่ที่ไหนนี่จะเห็นชัดโดยการเสียบเทียบการเรามีสติและมัจญยะโดยการกําหนดกรรมาฐานเช่นอย่างกล่าว แ, แล้วทําไมเราจะคิดไม่ออกแล้วใจเย็นๆ บราองว่าจะเย็นเยนลูกเอ๋ยอย่าใจร้อนนะใจร้อนเน่ยมันไม่ดีหรอกจะบอกให้เราเชื่อบรรลิตตอนใจเย็นเชื่ออัตพานใจร้อนเช่นนี้เราจะเสียงานเสียจุดเสียการด้วยของตอนนี่บอกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นกฎแหกรรมนี้จะรู้แน่แก้กรรมก็ได้ด้เราจะพูดถึงกดแปลวดัดดนตำแปลว่ธรรมแล้วว่าทำอย่างไรมันต้องดันไปทางนั้น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 ทำดีได้ทั่วก็เพราะอย่างนี้เองมันทั่วตรงไหนมันขาดโตกโบกพร่องประการใดก็ทําตรงนั้นไม่อย่าทําทั้งหมดตั้งสติไว้อตัวกําหนดนี้เองธรรมชัญญะรู้ตัวรู้ทั่วไว้ทําไมเดินจกกรมต้องเดินให้มีสติชาเพื่อหวัเสียเพื่อด่ามีความหมายมากอย่างนี้เป็นต้นเราเกิดมาทําไมนะเกิดมาใช้เวรใจกรรมสร้างที่เขาทั้งนั้นไม่มีโอกาสอื่น เกิดมาสร้างความดีใช่หนี้ค่อย ห, หมดไปเป็นเรื่องกรรมของเราถังนี้เราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายมีคุณครูบาอาจารย์เยอะแยะหนี้ผู้พระคุณทั้งหลายไอหนี่เงินทองที่เราไปเขายืมเข้ามาเนี่ยใช้ก็หมดเรื่องไปแต่หนี้บุญคุณไม่มีหมดขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยนั่งกรรมาฐานจะรู้เองเจอมลึกถึงผู้มีบุญคุณมีบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปถัมภ์ ม, มรุ่งมาตัาง้งแต่เด็ก เราจะลึกได้หมดเลยเนเมือกมีความดีเช่นนี้ถ้าเราใจฝุ้นสันทันเล่นสนึกไม่ออกถ้าใจเย็นลงไปช้าเพื่อไหวช้าไปแล้วเพื่อเราวิ่งไปทางไหนสติมันจะได้ดีขึ้นต้องการฝึกให้ช้าอย่างมีเป็นต้นเสียเพื่อได้ไม่ใช่เสียเพื่อไปศูนย์เสียเพื่อได้บุญเรกุศลเสียเพื่อได้ช้าเพื่อไหวท่านไปคิดดูเห็นได้แล้วนี่เหตุผลที่น่าฟัง ดังนี้เพราะฉนักรรมนี่สำคัญมากเรารลลกได้แล้วเราก็จะมีวิจัยออกมาว่ามนุษย์นี่คือคุณสมบัติสินห้าที่ท่านเป็นเล่นเรื่องเครื่องรางของขังเบญจภาคีห้าถ้าใครมีเบญจภาคีห้าบนนัานรวยมหาศาลมีพ่อกุสมบัติมากที่เขาล่ำลือกันนะที่อาตมาได้ยินมามีพระสมเด็จมีมีพระผงรูปพันมีพระตอมแพน สมกอเพรทีว่ากันไปตามหน้าที่ของอเบญญาภาคีหรือมีพลลอดมีะายก็ตามแต่เธอะแต่ตามมาจะมาจะแปลนันฟังเบญญาาภาคีก็มีสิ่งห้าะสมเด็ดคือมีไม่ขาดสัตว์เมตตามหายโยมชัดเจนของรูปภัณฑ์ไม่เบียดเบียนทรัพ์บอกไว้ชัดสมกอ ก็อยู่ในกอของตอนวงวาวเผากอเป็นฉนวงเทวันสันเวเดวาไม่มีธูปสาวกับขัดบอกไว้ชัดเจนเดินพ่อเดินเดินพ่อเดินก้าวหน้าพ็อเดินเศรษฐีในใจอย่าเล่นใบบนบกเดินก็เดินก้นาวหน้าออกไปคือขยันเอาการงานสะอาดฉลาดรอบขอบจบระวังตั้งใจตรงทรงทรงิรงธารม น้ำทางให้โูกโลกสติยามีชอบประขอบผลชนก้าพระก้าวคือสศิษีก้าวเลื่อยไปเป็นสศรีเนี่ยสำคัญก้าวถอยหลังก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรเป็นต้นใี้ทนลอดปลอดภัยไม่เดิมสุรายาเมาปลอดภัยจริงๆปลอดภัยไม่มีสเสนียดจังไรคือสุราไม่ไหลเรียกว่าเป็นเนจากพาที่ห้า ถ้าเล่นพระการเอาอย่างนี้นะเอาไปใช้ถึงจะแข็งเดี๋ยวมันจะคลั่งขึ้นมามีพระสมเด็จโตวัดระคังยังจะฆ่าสาัตว์จริงหรือไม่มีเมตตาไม่มีทานไม่มีน้ำใจแต่จะมีเมตตาจะมีสมเด็จโตไว้ทําไม้ขอฝากไว้นี่เบญจกพารีเั้นบามาเขาลือกันซื่อแผงพระพระพวงบาลเลยนี่คนนี้ก็เป็นบรรเบญจพารีคนนั่นก็ขี ไอ้คนนู้นก็ขี่ไอ้นู้นคนลงไอ้คนนู้นก็เปไอ้นี้ก็ตายเบญญภาคีไอ้คนนั่นกิกนเหล้านี่กระเล่นกายพันนานแหมเสียใจเหลือเกินเบญญภาคีปักไว้ในที่นี้มีความหมายชัดเจนกำเนาะต่ำเกิดมาทําไมโอ้อนาตวาสนา น, นิจาเอ๋ยที่โทเอ๋ยที่ฉันแม่เกิดมาทําไมไม่รู้มีแต่เวน้นมีแต่กรรม เกิดมามีกรรมเกิดมาทำอะไรไม่รู้หลวงพ่อเอ๋ยฉันมาลายจะหมดเวรหมดกรรมสะทีโยมอยากจะหมดก็ไม่เป็นไรง่ายนิดเดียวเข้าเมนเลยเผาไปเลยหมดเวรหมดกรรมถ้าอยากไม่อยากเผาก็สร้างบุญกุศลสร้างความดีใช้นีเขาไปให้หมดเวรหมดกรรมเกิดมาเป็นพระเอกนางเอกต้องใช้เวรใช้กรรมต้องลำบากยากเย็นลาเคงใจ อยู่ในอรัญญาลาวป่าคือแห่งความสงบคือช้างเผือกมีปัญญาแหลมเล็กคือช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองอยู่ในป่าความสงบมีปัญญาเป็นนักประหลาชราชกุมวีมีปัญญาแหลมลึกคือช้างเผือกปัจจัยนาเทนช้างทะเลสวนมหาราชยุทธวิธีหมหาประหลาดปรองพระชนได้เพราะช้างคู่บ้านคู่เมืองเพราะ ช้างเผือกของเราทาทานใจสงบจิตปลาลบธรรมถ้าจะมีช้างคูบาลคูเมืองไม่ละคายเครื่องแขนแสนจะคิดท่านสา ม, มารถจะแผงลงฤทธิ์กายเพศเป็นเทศรษฐีได้ทุกคนในานาพตการวันข้างหน้าสืบนี่เหตุผลที่น่าฟังในวันนี้นี่เนคือกรรมาฐานถ้าไม่คนร่ำรวยสวยดีมันมีสิสุขมาสมมากมายมีความหมายหลายกระทง ขอเริ่มมีผลประคาถาว่าอดแทนกรรมนี้คือเอามนุษย์มาวิจัยเพราะมนุษย์คือกุลสมบัติคือถิ่งห้าปานาติปาตาเวละมณีไม่ต้องเอากรรม1สองมาที่แกงอัตมาได้ผลมาอย่างนี้ถ้าใครมีคำนวณ 60% อนออกมาจากปานาติบาต้ตองเป็นอมภ า, าต้องง่อยเปรี้ยเสียขาอพาท้องผ่าไส้ผ่าโน่นผานี่เป็นมะเร็งเป็นลำไส้ แล้วก็เป็น3วันหรือสีวันค่ายตลอดรวยการถ้าติดมา 60% ซถ้าไม่เจริญกรรมฐานประการที่สองอาทินาฐานติดมา 60% ถ้าไม่สร้างบุญกุศลแก้รับรองคนนั้นถูกโจรกรรมถูกที่ถูกปล้นถูกไฟไม่บาทโดยหมดเนื้อประดาตัวดังตาวแล้วถ้าไม่สร้างบุญกุศลช่วยแก้คือกรรมฐานตาเมสุมิชาจารติดมา 60% รับรองหนึ่งในสองอุ มีสามีกี่คนก็เป็นของเขาหมดมีภรรยากี่คนต้องมีชู้หมดนี่เรื่องจริงที่วิจัยได้ไม่ผิดถ้าติดมาหกสิเปอร์เซทไมจะแก้ได้จเจริญกรรมาฐานอย่างเดียวเท่านั้นมุสาว่าปลอกเลวงโลกหวังเวลาเขาแล้วติดมาหกสิปอเซตขอจเจริญพรว่าต้องโดนหลอกตลอดไปโดนโกงด้วยอย่าไปเสียใจเลยเขาโกงไปฮะเพราะเราโกงเขามาก่อน เพราะฉะนั้นบางคนก็มาบอกกษัตริมาหลวงพ่อจ๋านั้นโดนโกงไปจอบนั้นช่า น, นี้เพื่อนหากหลางเรียนสวนกุหลาบมาณีการสองแสนก็หมดปลหนึ่งแสนก็หมดปลโดนโกงเหลือเกินดีแล้วโยม โ, โดนโกงอ็ดีหน่าเสียเลยบอกหลวงพ่อวันนี้ไม่พูดบาบา <c oughs> ดอย่างนี้โดนโกงอ็ดีแล้วดียังไงเจ้าคะพูดเสียงแข็งเนี่ยดียังไงหลวงพ่อวันนี้พูดผิดก่น โอนกองดียังไงดีดีมากที่สุดดียังไงคะดีกว่าไปโกงเขาไปโกงเขาดีเล้อให้เขากองสิดีมีให้เขากองนะดีนะที่นี่มีใครกองมีใครกองไหมไม่มีดีมากอย่าไปโกงเขาอะไรกันนี่เหตุผลสุราเมระยะติดมาหกสิบปเซ็นแล้วมาเพิ่มผลผลิกในชีวิตของตนปัจจุบัน รับรองเป็นมีกนเจริญแล้วก็เป็นภมปัญญาอ่อนลูกหลานในเหลีนั้นัญญาอ่อนขอฝากไว้สั้นสัน้นถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรแล้วมีเรื่องผ่านแล้ววิธีแก้ทำอย่างไรหรือวิธีแก้ทำอย่างไรจะเล่าจะเลี่ออยมหยบวิธีแก้กลับไม่เชื่อบุญกุศลแน่นอนที่สดเข้าใจว่าพ่อแม่สร้างเรามาแล้วเราตายศูนย์ ไม่มาเกิดอีกแล้วบุญบาปไม่มีดังที่กล่าวแล้วไม่เชืย่ยกตัวอย่างเลยในร้อยโททหารศวนปืนใหญ่ลบบุรีเมื่อพศต้องมาห้าร้อมาบวชที่นี่อตมามาเป็นเจ้าวาดวัดนี้สองพสีส่รเกิบเป็นคู่ตรวจยังไม่จะเป็นอุปชาแต่ประกันใดของป่านาล้อยก็มีนายทหารร้อยโทมาบวชที่นี่ศูนการทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีนี่เองมาบวช ไม่ยอมเชื่อบุญบาปไม่ยอมเชื่อคนงกรายบอกว่าไม่บุญบาปนี่ท่านผู้หมวดขอเจริญพรขอบิงค บ, บาศอย่าไปยุ่งปูยีปูยามกับผู้หญิงยิงเลือขาหลว ง, งพ่อหลวงพี่เขาเรียกตอนนั้นหลวงยังเป็นหลวงพี่อยู่นะเดี๋ยวนี้เป็นหลวงพ่อแล้วมันนานสามสิบห้ปีแล้วบอกว่าหลวงพี่ผอมไม่เชื่อเอาไม่เชื่อมาบวดทําไมก็แม่ผมปาสิบกว่าแล้ว แม่เขาแม่ผมก็ท่านสอบการก็เดินผมมาบวชที่นี่ไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรนะหมวดไม่มีลูกสาวม้างแล้วตายผมมีสองเลยนะครับลูกสาวสองเอาโจดย์เข้าไว้คุยเลยนะพ่อแม่เนี่สร้างความไม่ดีกับลูกทําไม่ถูกให้กับหลานเป็นผลงานของพ่อแม่ที่สร้างมาลักไม่ถูกวิธีทําความไม่ดีหลูกดูเป็นอย่างไรขอติดตามฟังต่อไปมีเหตุผลผู้หมวดก็บวดร้อยี่บบาทโดยขอบรมราชานุญาต ราชพัดลาบวชในพระพุทธศา ส, สนาไม่เดือนก็ได้ด้วยบวชแล้วไม่เจริญกรรมฐานไม่ทําให้หมดบวชแล้วมีสิทธนะิมรณะเหลือเกินนี่ลอยโทสานไม่ว่ากัานดูซื้อเวรกรรมจะตามสนองหรือไม่ตอนที่อยู่ร้องปีปู่ยี่ปูย่ปยามกับผู้หญิงยังยเลือกเขาคนโนอโนคนนี้ด่าไม่รู้อเนือก็ตายแต่ประการใดคิดว่าบุญเวรกรรมไม่มีทันี้อันนี้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเพราะเรื่องที่วัดนี้เองนะ บวชศึกนาลาเพศบอกจดไว้ผู้หมวดไม่มีลูกสาวบัางแล้วไปในสุดเขาก็จากไปไปสอบสังหารอยไม่เคยกลับมาเลยไปยาตะกรุงเทพกรุงเาพที่ไหนเราก็ไม่ได้ติดตามผลเพราะเขามวดไม่ศรัทธาไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธามาบวช ด, ด้วยแม่ยัดเย็ดมาแม่แก่แก่แล้วไปจะตายก็มาบวชให้แม่ท่อนั้นไม่ได้อะไรเลยจากการบวชนี้ขอฝากคนอย่างไรไว้ด้วยหน้าสิไดยเวลาบวชเือเกินก็ไม่สนใจ ศึกไปแล้วก็มีลูกสาวสามคนมีลูกชายสองเป็นห้าพยายาเปอาจารย์สอนตุลามหาวิทยาลัยและก็นในสุดท้ายเป็นพคนเอกพิเศษในชั้นสุด้ายลูกสามคนนะั้จบหลักสูตรมัธยมหมดแต่เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แม้แต่คนเดียวเข้าไม่ได้เลยคนเล็กก็เข้าไม่ได้เหลือเด็กผู้ชายสองคนกับมังเรียนให้เหล่าตูกันฟังเบื้องต้นเวน้นตามตามสนองแหละ แล้2สองคนสามีภรรยาไม่เคยสวดมนต์ไหวพระเลยไม่เดีสนใจเรียนนารอยจะปลอมมาด้วยไม่สนใจทางพุทธศาสนาด้วยแม่ก็เป็นเป็นทายิกาเป็นอุบาสิกาด้วยรักษาสินจินบวชแต่ลูกไม่เอาไหนนี่ไม่เพราะเหตุด้เพราะลูกหลายคนแต่คนที่เฉงโถงสินเล่ามาสุลาผู้หญิงนาลีกีลาบัตไปตามเรื่องของเขบก็ไม่หว โลูกเรียนไม่เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เลยในสุดเลิกกรรมตามสะดองเนี่ยแม่เขาก็ไปเป็นสอนลูกเรียนตุลาเลยทํานองนี้มหาวิทยาลัยแล้วเขาก็เป็นในพันเอสด้วยลกกทำยังไงโลูกก็ออกไปร้องเพลงตามฮูดิกกลับมาก็พอกาเตะไอแม่กตาดาใส่ทั้งรองเท้าเป็นกรรมพ่อนี่สําคัญตาเตะลูกเนียไม่มีเหตุผลเป็นบาปของพ่อนี พ่อแม่ตีลกูกเป็นบาปนะไม่มีเหตุทนนะขอฝากไปด้วยลกูกคิดไม่ดีกับแม่ก็เจ๊งคิดไม่ดีกับพ่อก็เจ๊งลองจารณัยให้หละเอียดไปใจเห็นชัดธรรมะกินไม่ขึ้นรอบหลู่ครูม า, าจานก็ธรรมะกินไม่ขึ้นแน่นอนที่สุด ข, ขอนี้นี่ยกตัวอย่างที่ลบรีวิยไลครูเทพสตรีของอรชิภกมาเล่นลูกเสือการมาเล่นตรกองไฟแล้วดับคอบอตอยครูตอยครูปากเลือด เราบอกอายุประวาอันตรายต้องเป็นอันตรายเพราะทำํทำทําร้ายต่อครูของตอนแต่ครูก็แมวเลือกในไม่ช้าเจตมันก็ถูกรถทนตายที่สาวุ้นี้เองนี่ชัดเจนนี่อายุประวาอันตรายต้องติดตามผลถึงจะรู้ได้แล้วเ่าถึงในพระเอกนี่มีลูกลูกก็เสียหายตามวาไปลองตามโฮเทนหมดก็เกิดทะเลาะใหญ่กันพ่อแม่ะแม่พ่อก็ตักลูกเอาล่ะลูกเลย เลือก่อนโยนโยนลงทะเลไปบาลูกกันลกก็ชี น, น้าพ่อเลยพ่อเอ้ยพอ่อเอาละดินไม่กรบหน้าหนูจะไม่กลับมาบ้านสามคนก็กลับออกจากบ้านไปไปขายตัวอยู่ที่พัทยาบางอยู่หินบะดังที่กล่าวมาแลวพ่อแม่ก็เสียใจมาคุยกันระหว่างสามีภรรยากับลูกชายเล็กแม่วงสกุลเราไม่เคยมีอย่างนี้เลย อรรยาก็บอกนั่นือดิฉันก็ไม่มีอย่างนี้นะก็เสียใจกันจะทำอย่างไรได้ไอพ่อก็บนเสียใจทำยังไงลูกจะกลับได้เลยก็ไปคนบัญชีนึกถึงอดีตความหลังเช้าวความหลังที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายปีแล้วตั้งแต่สองพนรอยนึกด้ว่าว nice ัดไหนเนาะจำไม่ได้ชัดได้มาบวชสามเดือนนี่ ขนาดจําวัดไม่ได้แล้วมันก็คงจำแย่ที่สุสดเดชทีส่สุดนะโลกมันถึงได้ดีอย่างจําอุปชาจาำไม่ได้จําโรงเรียนฝึกหัดไม่ได้เลยลเอ๊มันวัดอะไรเขาบอกมาอย่างนั้นนะจําไม่ได้ออนึกได้แล้วเอ๊แล้วไปค้นสมุดก้าไปเดินใบสุธิเพราะว่าราชการลาบวชต้องมีใบสุธิออกมาในรูปแบบนี้ ก็บอกไว้ป ว, วันก็ไปเจอสมุทิษใบบันทึกใหม่นี้ลูกษาบ้างแล้วไปนึกได้ก็พากันมาจุวดก็จําวันนี้ไม่ได้เลยก็จากไปต้องสามสี่กว่าปีอะไรอย่างนี้นะนี่แนวความคิด <c oughs> จากนานก็มาทั้งสงบนสา ม, มีปัญยากราบเสร็จแล้วบอกท่านจําผมได้นะครับบอกถ้าเป็นใครจําไม่ได้ก็เราจําไม่ได้จริงๆผมลอยโทรนะครับ แล้วทัวร์ไลนบอกมาจิงมาบวชที่นี่ครับบวชล้างเก่าเนี่ยตอนที่เป๋กอบกอบไผเยอะแยะแล้วก็มีผมมารถจิบรถแรนด์มาข้ามตะพานไม้ที่บังงา น, นี่ไงสมัยก่อนไม่มีถนนเอาละนึกได้ละจะมาทําไมมารับตสารภาพบาปครับลูกสาวผมเสียหมดแล้วจริงอย่างที่ท่านว่าเลยจริงเสียแล้วแล้วผมเตะมันทั้งรองเท้าเลยอ้าวท่านบาปมันเนี่ยแลจะจะให้มาทําไม จะมากราบเรียนปรึกษาดูมาก่อนไหมไม่มาลนะ่ะก็ผมไม่เชื่อทีเอาละผมมากราบเรียนปรึกษาเพื่อไม่เสียเวลาจะทํำยังไงให้ลูกขาวดีได้ครับนี่วิธีแก้กรรมกรรมฐานนี่แก้ทำได้จริงๆแก้อย่างนั้เอาละจะเชื่อไหมเนี่ยจะเหมือนมาก่อนไหมมาก่อนไม่เชื่อเดี๋ยวนี้จะเชื่อไหมถ้าเชื่อว่าตามนะว่าอะไรว่าตามไปแนนะ่ให้ลงรู้ก็ลงนะให้อับปืนยิงต้องยิงเนะี่ยให้โดดน้ําต้องโดดนะเอา ตกลงยอมตายเอามาเลยพักรอนมาสิบวันสิบวันพักร้อนต้องของคนผูเนีอ่ะนั่นกรรมมาทำม่ตาให้ลูกยาดาลูกเน่งเขาก็มาโอ้ทีกรรมก่อนที่เจ๊ลูกเป็นบาปแล้กวก็อยายาลูกย่าแช่งลูกเป็นบาปถอนคำพูดเดี่ยวขอฝากไวท้ทีดาลูกแทนรูกจงถอนคำพูดก่อนนะไม่งั้นไม่ได้ผล ไม่ได้พ้นนะไม่ใช่ด่าลูกแช่งลูกแล้วก็ไม่เป็นบุญนะไม่ใช่นะปากติดไปเลยนะลูกเสียหมดนะขอฝากไขด้วยลองดูสิลองไปแช่งลูกเอแล้วลูกธรรมากินไม่ขึ้นนะต้องถอนคำพูดนะต้องถอนฟ้องนะใครเป็นผู้ภาษาอย่าเลืมนโยมพบาล น, นะก็อถอนฟ้องก่อนเนี่ยบางคนด่าสามีนะ ลองถอนฟ้องก่อนนะสา ม, มีด่าภรรยาก็บาปเนี่ยโยมผู้หญิงก็ไม่รู้จริงอะ่ะบางทีบางบ้านจะมาไปเห็นเลยโอ้โหรูปรานก็สวยนะแม่บ้านแบบนั้นทําไมเปลี่ยนหน้าสามีซะมันมนะสา ม, มีไม่สวยยังไงก็มนี่นี่เหตุผลเนี่ยนี่เรื่องจริงที่ประสบมาแล้วบอกตอนถอนคำพูดก่อนมาอยู่กรรมาฐานก็ถอนคำพูดขอกายกรรมแล้วท่าน ดูถูกอาตมาบอกบุญกุศลไม่มีจริงเป็นบาปนะต้องขอละสมาละโทษต่อรัชนากัยนี่ที่ทําอ่ะขอสมาลาโทษก่อนอย่าดูถูกบวชแท้ๆเลยอย่างว่ารพุทธเจ้ามันจริงบุญบาปไม่จริงนะพุทธเจ้าหลอกนี่เป็นบาปขอสมาลาโทษก่อนไม่งั้นไม่ขังเลยก็ต้องมีเทียนแพขอลันาสงสงอนุโมทนาสงสับพาโลให้เสร็จแล้วก็รับกรรมฐานไปอยู่กรรมฐาน หน้ากรรมาฐานเสร็จแล้วเอาโหติ ก, กรรมลูกแพ่เม่ตาลูกถุกวันยาแช่งลูกดาลูกต่อไปไม่ได้ก็ทำอย่างนี้ไปวันที่เจ็ดกลับกลับไปแล้วได้ผลเลยจดไว้เลยวันที่สัตดโลภไปอยห่หินบางพัฒยาบากก็ร้องห้คิดถึงแม่คิดถึงพ่อทุกวันนี่ด้วยอำนาจเมตตาของพ่อแม่ที่แผ่ไปเขาจะไม่คิดกลับแล้ว เขาบอกดินไม่กลอบน่าจะไม่กลับแล้วแต่ทํำไมคิดถึงพ่อแม่แล่ะเรามนึกถึงบุญคุณก็ออกเนื่องจากพ่อแม่โหสิกรรมถอนคําพูดแล้วก็แพ่ไม่ตายลูกโลกจึงคิดถึงหันมุมกลับกลับบ้านกลับมาแล้วก็ไม่เคยว่าลูกเลยเรื่องเก่าอย่าลือ้อยเฟื่งหนึ่งอย่าคิดคิดชอบทําห้ามท้าความหลังได็กขาดเลยก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าดีห้ามพูดเรื่องที่ผ่านมาว่าไปอยู่ไหนไม่ต้องถาม แล้วก็พาลูกมาที่นี่จึงรู้เรื่องนี้ชัดเจนถามว่าหนูไปอยู่ยังไงนะแล้วทําไมจึงกลับมาแล้วหนูหมพูดบอกว่าดินไม่กรบหน้าจะไม่กลับมาเพาื่อจัดโอ้โหหลวงพ่อคะหนูนอนไม่หลับก็คือยังรุ่งเลยสองคืนแล้วร้องไห้คิดถึงแม่คิดถึงพ่อนี่เห็นไหมเนี่ยพ่อแม่สามารถแผ่ไม่ตายยุบดัโลกเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศนั่งกรรมฐานแล้วแผ่ไม่ตายยุบดัแน่นอนที่จดุดนี่ชีวิต น, นี้มีเรื่องอะไรเรื่องที่จะเล่า ให้ฉันฝากจะจะเล่าย่อๆทวนนี้ในวันนี้นะสามารถลูกเดเรเสเสอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไม่เรียนเลยแม่พ่อแม่ตรวจมลแล้วนั่งกรรมฐานแพงให้ได้ผลเดี๋ยวนี้เป็นนอกเตอร์แล้วนี่เหตุผลฉันสวมันมีเหตุผลที่น่าฟังอยู่ขอให้ตั้งใจเถิดก็ได้ความมากลับไปลูกก็ดีขึ้นเลยเอาลูกสามคนมานั่งกรรมฐานครยเจ็ดวันวันนั่งเจ็ดวันแล้วปั๊บมีสติปัญญาสูง เข้าลามคำแห็งสําเร็จปริยาตรีทุกคนสเมเด็จปริยาตรีทุกคนเนี่ยทำไงาเข้างานเนี่ยทุกคนมีผัวได้ดีทุกคนมีผัวดีหมดทุกคนเลยใครอยากอยากรู้ไปด้วยกันคืนนี้ก็ได้ไปบ้านเขาจะแต่อย่าไปบอกว่ายัางไงจะชี้หน้าชี้ตาให้เขาให้ดูผัวดีหมดทุกคนเลยแล้วได้ผัวรวยสวยเก่งทุกคนเลยเรวยโชยเก่งทุกคนรว้วยด้วย สวยเลยเก่งงานเก่งการไม่ใช่ได้อยู่สบายเก่งมาดาแม่ผัวไม่ใช่ไม่ปากบุ๋มบิบุมบิดเก่งยัางยี้ใช่ไม่ได้ต้องเก่งวิชาการเก่งหลักฐานมีงานทําอย่างนี้เถอะขอฝากคณาจารย์ด้วยทํามีลูกมีหลานร่ำรวยสวยเก่งไม่ใช่เก่งแบบที่ว่าโลกให้เก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีก่อน สอนลูกให้ดีก่อนแล้วก็ให้ลูกเก่งในสังคมต่อไปก็ฝากว่า ไ, ไม่ใช่เก่งเลยเดี๋ยวลดทนลูกตายหมดนะนี่นเหตุผลก็ได้ความว่มากรรมฐานแก้กรรมไ่าดันเก่ามากอีกอข้อหนึ่งสามีเจ้าชู้สามีเล่นการพนันเป็นนายทหารอยู่โรบรีแล้วก็ภรรยาสี่เจ็ดนกมาขอพัยไม่เจนนาทหารเปราช ก, การบริเอน สี่เจ็ดการทุกข์กลับบ้านตีสองกลับบ้านตีสองทะเลาะ ก, กันทุกวันทะเลาะ ก, กันทุกวันกรัมาทานแก้ได้ไหมแก้ได้ดังต่อไปนี้ฟังแต่โยมผู้หญิงนี่ไม่มีปัญหาหรอกไม่ไม่เป็นไรก็นึกว่าฟังไว้ไปแก้ให้แก่เพื่อนเพื่อนมาในการเพื่อนหน่าสงสารถ้าเขาเป็นนะเอาบุญในการทำไมคุณไม่ทุนหัว บอกเขาแต่พุ่มนี้แม่เบี้ยมีปัญหาเลยสามีเนี่ยตมาเห็นหนอแลี่ยรักกันดีเหลือเกินแต่ทะเลาะ ก, กันเลยเดี๋ยวด่ากันเฉยเฉยนะ <c oughs> เลยก็เขาก็มาหาตมาตมาก็บอกว่านี่นะโยมถ้าเชื่อตอมาแกได้เนี่ยเรารู้เลยสามีคนนี้ยังไม่เคยบวชบ้านอยู่เชียงใหม่สันป่าคอยบ้านเดิมเกิดที่สันป่าคอยเชียงใหม่ เด่๋ออกซื้อแล้เดี๋ยวเดียเด๋ยวรู้จักไม่ได้เดี๋ยวจะไปพูดขาวนาะเดี๋ยวก็จะมาฟ้างวัดเขาบ้านอยู่เชียงมาแต่ได้มาก็มีลูกสามคนนะแต่แล้วก็ยังไม่ได้เคยบวชในตระพุทธศาสนามัวแต่ดื่มสุราย า, มมาเมาเล่นการพนันเล่าชู้สู่สาวไปตามเรื่องของเขาแต่เขามีลูกอยู่สามคนเลยแม่บานแต่รับเหตการก็ด้วยความเข้าใจ สามีก็กลับดึกก็มันเป็นเมืองทางหารลบบุรีทั้งทหารทาั้งสังคมต่างๆแสนสี น, นาระการมีทั้งอบมีทั้ทงนวดมันก็แปลกเดีนี้นะคนเราก็แปลกนะอาบนะ้ำไม่ค่อยเป็นพราแรกอาบนะ้ำไม่เป็นต้องไปจ้างเขามันแปลกตรงนี้นะอันนี้พูดเล่นที่สักแก้วมีไปดูได้ลบบุรีมีไหมจานุภาพมีไหมมีก็ไม่ต้องพูด อ, อัตมายังผ่านไปเลย เห็นหนอให้หนอดันเสือกเห็นนังนายเลยไม่ได้เห็นหนอกเห็นนายซะ้วยก็ได้ความออกมาชัดเจนนะเขาก็มาอยู่กรรมฐานบอกว่าโยมเหมือนแผลเนี่ยยิงเจยิงปายมันก็มันจะเป็นแผลกายเอาติดซะเลยอย่าพูดเรื่องเจ้าทูสามีจะเจ้าทูยังไงอย่าพูดห้ามเด็ขดขาด สามีไปกินเหล้าเล่นกาพนันก็ขอบินธาบาลอย่าพูดถึงไม่พูดปิดแอลกอฮอล์ล้างแผลซ ะ, ะไม่ชาเผลหายไหวชิสุกยิงพูดกระจี้เข้าไปมันทำให้เกิดอยู่เก็ดเจ็บเนื้อแล้วก็มันทำให้เหลีวิสัยของเขาแก้วิธีนี้ไม่ดีแน่ต้องแก้เดี๋ยวเอาความดีเข้าแก้กลับร้ายไกลดีมั่งมีชิสุกก็มานั่งกรรมฐานเจ็ดวัน นางเสกแล้วคือเสามีเขาไปชอบนางสาวัสนาคนห น, นาาึ่งทํางานจิตรกรรมคือนางสาวัสนาก็ชอบกันแล้วก็แพรเมตตาแพรยังไงที่แรกแพ่ไม่ออกเหมือนกันแพรบ้างวัสนาเลยมาเอาสามีฉันเล่าแพ่ไปแพ่มาขอให้มันตายหัวงไปเลยนี่แต่อย่างนี้เอง แผลไม่ออกไม่ได้แพรอย่างนี้ไม่ได้แผลไม่ได้ต้องแผรใหม่หัวหน้กนากรรมฐานแล้วสามีจ๋าคุณผู้ชายสามีดิฉันเจ้าขาที่ไปชอบแม่วัสนานั้นฉันก็อนุโมทนาขอให้แม่วัสนาอยู่เย็นเป็นศกกับสามีฉันด้วยเถิดนี่แผลอย่างนี้สิแผลได้ไหมอย่างนี้แผ่ได้ไหมได้ไหมโปรงตกไหมตกนะเ้าอโอเค โอเคแล้วยังไม่พอแซงคิ้วแซงคิดนี่แผ่ไปปล้องให้มันตกปล้องให้มันตกจะหันมุงกลับเองคนสา ม, มี <c oughs> เล่นการพ น, นันเจ <c oughs> ้าชู่สู่สาวออกนอกบ้านไปอย่าติดตามจะไปหลงชู่สู่สาวอย่าติดตามติดตามเดี๋ยวไอ้สา ม, มีเจ้าชู้กลับมาเองต้องเอาตามคนดีเข้าบ้าน ทิ้งเจ้าทูนอกบาททิ้งการมานานออกทิ้งสุรานอกบ้านคนดีเข้าบ้านเราเมื่อทำทำพิธีนี้น้อยไปพ่อเนี่ยนิลไปไหนมากลับตนตีสองชิ้นเธาไม่คิดถึงฉันบ้างหรือฉันรู้สาไมไ่รับข้าวลอกเธอนะแล้วว่าง่ายืย้มเฉยๆได้ลนะ้วต้องพูดมีเหตุผลเลยใครพูดอย่างนี้ได้ไหม บางทีสามีโมะมาหน่อ้ไปพอเงียบเชื่อไปไหนมาตัวเดึกเดินเนี่ยนะอะไรต้องทะเลาะกันเนี่ยนะ่ยพอพออสงี่ยนมาโอ้คุณพี่โอ้โหดิฉันรอแหมยิ้มให้คุณพี่สงี่ยนสักหน่อยไม่งิ้มเลยหน้าไม่ยินอันนี้เรื่องจริงเทานะกลับมาถ่ายข้อหน้ามาอย่างนี้ครับต้องยิ้ม เนี่ยอย่างนี้เหตุผลเล้วผลทายก็มานั่งกรรมาฐานสรุปใจความบอกแผ่ไม่ตายครับแผให้สามีแล้วแผ่ให้วาสนาที่เขาชอบกันแผลหมดเลยแผลไปแล้วโปร่งตกเลยโปรงตกไม่ติดตามไม่ติดตามอย่าติดตามอย่าติดตามสามีอย่างนี้สามีเจ้าทูดอย่าติดตามมาเจ้าทูดเข้าบ้านนี่ขันมุมกลับเทคนิคอย่าติดตามคนที่มาเข้าบ้านอย่าพูดถึงอย่าพูดถึง อย่าติดตามอย่างนี้กลับไปบ้านเขาก็ใจโปร่งตกแหลกไม่โกรธสามีและไม่โกรธนางสาววาสนาด้วยเนี่ยวันแรกเนี่ยแพลคือยังลูกแพลไม่ออกวาสนาเอยทําไมนะหลวงพ่อท่านบอกเธอมีสุกถ้าเธอมาทําอย่างนี้ฉันมีทุกเธอหน้าควรจะตายเสียฉันก็หาหมือปืนมาหลายวันไม่ได้ นี่พผอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่จะขอฝากไว้ต้องโปรงให้ตกเลยแม่วัฒนาจา๋าฉันก็จะเสียสละให้เธอไปเธอจะได้มีความสุขความเจริญกันนะแม่วัสนานะทําได้ไหมจ๊ะทําได้ไหมได้แหมสาธุ <c oughs> ดีมากดีๆนี่อย่างนี้ทําถูกแล้วทำถูกแล้ว กลับไปเนี่ยนะไปมอบให้เขาซะไปมอบให้เลยมอบให้หมอบเสร็จแล้วฟังนะมอบเสร็จแล้วจะไปทางไหนลาออกจากอาจารย์ซะมาอยู่ข้าอาตมาที่วัด <c oughs> เพื่อันเรื่องแขกนี่ให้เดือนละสามสิบวันมาเลย ผู้เล่นนะถ้ามาได้ก็ดีนะไม่มีคนชายคนชายเลยเคยบี้นะสูบใจความโยมผู้หญิงนี้ก็ไปนั่งไม่พูดวาสามีต่อไปเลยก็กรณี้ด่ากันทุกวันคือพูดร้ายต่อกันทุกวันมาแล้วขัดคอกันไม่มีความสุขมาสามปีไม่มีความสุขเลยทะเลาะกันเรื่อยแล้วเขาก็กลับดึกเพราะไอสมอลสอนทางโรบรีมันมีเยอะ บางอย่างก็ไม่ได้ไปเชื่อผู้ยญิงยินเรือแต่ไปเข้าสังคมทหารบ้างสังคมตำรวจบ้างสังคมไอ้ทั่วธุรกิจบ้างมันก็จําเป็นมารับดุกบ้างเป็นธรรมดาก็อย่าไปว่าเขาเลยนะโยมนะก็วักเนี่เลิกพูดถ้าจะแก้จุดไหนอย่าพูดจุดนั้นถ้าจะแก้เรืองตัวช้าอย่าไปพูดถ้าจะแก้ผัวขี้เมาอย่าไปพูดขีเมาอย่าไ ป, ไปไปพูดเรื่องอื่นมาแทนถ้าจะแก้ผัวเจ้าชู้อย่าไปพูดอย่างนี้ อย่าไปพูดเลยพูดเรื่องอื่นแทนเยอะแยะไปเรื่องที่จะมีพูดเยอะแยะไม่พูดไม่ชอบไปพูดที่เรื่องที่มีเรื่องการ <S <S 1> <S 1> ไอเรื่องมีเรื่องการที่ชอบพูดนะ <S <S พูดเรื่องอื่นไม่ได้นะฟังน่ากรรมฐานฟัง้นะงาย ไ, ได้กรรมฐานนะฟังนะถ้าเรามีสามีนะสวยนะไปไหนนะสากวาก็รักแม่ไม่ก็รักคุณแก่ก็รัก มันไม่เป็นเอียดภรรยาหรือนะ้าว่าเป็นเอียดภรรยายันนี้แล้วนี่นะกรรมฐานต้องคิดย่ันนี้ทุกคนอาล่ะสามีไปคนน้นชอบคนนี้ชอบมาไปหึนหวงเขาทำไมยัง